ดีดีธรรมบัญญายชุดบูชาพระพรมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวศ ก, กวันตําบลบางกระทึออำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมธรรมบัญญายเรื่องเสริมเรื่องวาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์ บรรยายเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550จะมาไม่ได้เข้าฝ่ายไหนว่าจะเขียนไม่เขียนแต่ว่าจะเขียนแล้วไม่เขียนก็ควจะพูดให้มันแสดงถึงการรู้เข้าใจเรื่องและให้มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อจะเขียนหรือไม่เขียนนะ่ยมันมีทาง เราต้องมองไปที่ว่าแล้วเราจะจัดการยังไงในเรื่องนี้ให้มันเกิดผลขึ้นมาจะทำยังไงให้เกิดผลดีว่าถือโอกาสในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศา ส, สนาไม่ใช่ไม่ใช่แก่มีแค้ความเห็นกันเองถ้าแกไปพูดถำนอว่าเขียนแล้วไม่เขียนกับเป็นอยู่แล้วล ก็บอกว่ารมนูแหละไม่ต้องเขียนแล้วก็มันก็ก็พออยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขียนทำไมรัฐมนูนะกประเทศมันก็อยู่อก็เป็นอย่างเงี้ยครอโคจะถือเป็นโอกาสว่าเราจะทําไงให้เกิดผลดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนสร้างความเข้าใจแล้วมาจัดกอะไรต่าง เขียนแลือไม่เขียนก็ทำให้เกิดไปเยอะคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพูดไม่เท่าไหนเนี่ยเยอะคแล้วน่าคือคือ น, นี่แหละก็พูดไปด้วยที่จริงอยากจะย้มอีกเดือนาบอกว่าไอ้เขียนก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทและพอเป็นข้อจริงเนี่ยศาสนาประจำชาติเนี่ยเชื่อพุทธศาสนาแต่เนื้อแท้เป็นไสยศาสตร์ หมายความประเทศไทยเนะี่ยมีอะไรเป็นศาสนาประจาชาติอ๋อก็มีศัยศาสตร์เป็นศาสนาประจำชาติ<ม> อ, อตชต<ม>ใช่ไหมเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว<ม>เวลานี้ที่ว่าไม่เขียนเป็นอยู่แล้วเนี่ย<ม>ก็คือมีศัยศาสตร์ประจำชาติทีนี้เราควรจะถือโอกาสว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่แล้วเราจะถือโอกาสทํำยังไงให้มัน ได้ประโยชน์กับประชาชนให้เข้าสู่หลักการพุทธศาสนาเอาเลยกับพระนี่พูดบอกว่าโอ้ท่านเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมดูแลเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยยังอยู่กับไสยศาสตร์แล้วเราจะมาทำไงถ้า่ลองพยายามดูเรื่องนี้มาช่วยกันคิดถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันซะ ม, มันจะเป็นประโยชน์ ดีกว่าที่จะมวมาเถียงกันอยู่และทั้งสองฝ่ายนั้นก็เข้าใจคำที่พูดไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งที่จะเรียกร้องเอาเนี่ยในความคิดในสมองเขานะ่ะเขามองคำว่าศาสนาประจำชาตินะ่ะในความหมายหนึ่งทีนี้คนที่ค้านจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการอะไรเนี่ย ก็มองความหมายของคําเดียวกันเนี่ยคือคำว่าศาสนาประจำชาติอีกความหมายหนึ่งเขาเถียงคําเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เขาคิดอยู่คนละเรื่องที่เขาใช้คําว่าอะไรนะคนละเรื่องเดียวกันอะไรทํำนองนั้นคือสิ่งที่เขาเถียงนั้เขาเข้าใจไปคนละเรื่องเออเอามันเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกัน ความหมายของคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยชาวบ้านก็มองอย่างหนึ่งว่าอย่างไรจะคิดพราพๆนะไ ม, ไม่ชัดด้วยชาวบ้านก็ไม่ชัดนักวิชาการก็ไม่ชัด mm hmm. บังเอิญว่าสองวันนี้ไปอ่านหนังสือบทความวันหนึ่งเขาพูดถึงพุทธศาสนาเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาพูดเป็นไยยะทำนองว่าในพุทธศาสนาเทรวาทไม่มีรัฐพุทธศา mm hmm. ธสนาเนี่ย แสดงว่าเขากำลังมองคำว่าศาสนาประจชาติในความหมายแบบสันลัคือถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจชาติก็เหมือนกับตะวันตกยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่คือเป็นรัฐคริสหรืออย่างมุสลิมก็จะเป็นรัดอิสลามเขาไม่เข้าใจความหมายวิธีปฏิบัติประเพณีความสัมพันธ์อะไรของเราเขาก็ไม่รู้ แล้วก็ควจะทําความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก่อนบอกว่าคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องอต้องลงกันก่อนว่าคําว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราจะเถียงกันเนี่ยมีความหมายอะไรที่เข้าใจตรงกันหรือเปล่ปาอ่เข้าใจตรงกันหรือเปล่ปาจริงแล้วมันเป็นมนุษย์เราเป็นอย่างนี้บาทีพะเลาะ ก, กันแทบตายเข้าใจคนะละอย่างอไอ้เรื่องนี้มันเข้าใจคนละยางอยู่แล้ว ว่านักวิชาการหลายคนเวลาพูดออกมาก็มองไปที่ตะวันตกเช่นอ้งว่าพ oh. ลังประเทศตะวันตกเขาก็แยกรัฐกษัตราย์ชนะวันนั้นได้ฟังพอดีอตมาก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยประจำพอชั่วโมงข่าวาก็ฟังหนึ่งทุ่มหนงมงเช้าหลังจากที่พูดไปเนี่ยนะบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนและสธาธารณประจัญชาติไปเป็นยังไงไม่รู้เขาได้ยินหรือไงนะ อีกวันหนึ่งเขาออกเขาบอกว่าเนี่ยต้องให้ประชาชนได้มีความรู้ศาสนาประจำชาติว่าเวลานี้ในตะวันตกนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่อะไรสีร่สิบห้าอะไรทํานองเนี้ยเขาก็แยกรัฐกับศาสนาออกจกากกันผู้แค่นียบอกว่ารู้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองลว่าอย่างนี้เลยแสดงว่ายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยแค่นี้แหละเรื่ง เรื่องของเราก็ไม่ให้ความรู้ที่ชัดเจนอะไรลุกขึ้นมานิดนึง่งตอนนี้หนะ้าเป็นหว่วงก็คือว่าเรื่องอย่างจ้ตุคามรามเทพเอะไรนับถือเทพมากกว่าผู้จุจ้าตัวนี้วัยรุ่นนะปกติห้อยให้พ่อแม่ห้อยพระไ่ห้อยห้อยจต่ตุคามมันไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นพระด้วยตลกมากลววเลยคือ วัยรุ่นห้อยจะถุกคามองเปลอกกมเหลืออันนั้นอาจจะเป็นแฟชั่นได้ถ้าเราคิดแต่ทีนี้เดี๋ยดิทีนี้วัดน่ไปถือโอกาสหาหาอะไรได้หาผลประโยชน์นั่นน่ะหนึ่งหาลาบใช่ี่หนึ่งหาลาบสองมันเสียหลักการเพราะว่าวัดเนี่ยไปปลุกเสกเทพได้ยังไงอะไปปลุกเสกในวัด มันมีข้าวหลักอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยคือไม่ใช่ว่าโมเถียงกันเป็นสองฝ่ายอย่างเดียวม่นจะเป็นฝ่ายเอาหรือไม่เอาเรื่องจะตกค า, ามรามเทพมันมีเรื่องต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีแง่น่าเห็นใจอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีแง่ที่จะตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจคือว่า เจตุคามรามเทพเนี่ยก็ตามประวัติก็เป็นเทพเฝ้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือตามหลักที่ต่อมาเคยเล่าไป้ในเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องราลุยออยู่ในเรื่องพระพรุทธคุพระภูมิคือให้เห็นความเป็นมาของพุทธศาสนาพระตีบุตรายของเราที่ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรพระแก้วอะไรเนี่ย ก็ไม่เคยรู้เรื่องกันนะก็นึกไปว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นผู้บันดาตินนนี่มันไม่ใช่มันมีเทพผู้ใหญ่คนะอยรักษาคือเวลามีการสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นคติแต่โบราณมาตั้งแต่ในคำพีต่างๆพอสร้างที่สำคัญแม้แต่บ้านชาวบ้าน พวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครองสถานที่ถ้าเป็นบ้านผู้ร่ำรวยสตีก็เช่นว่าซุ้มประตูบ้านอย่างซุ้มประตูบ้านาน่าจะไม่มีกระสิกอันนี้เป็นคติโบราณเกา่านี่ก็จะมีเรื่องในคำพีเยอะที่ว่าพวกเทพเหล่านี้ก็ไม่พอใจเวลาพระไปเขาก็เคยอยู่สบายๆเวลาพระไปเนี่ย เขาต้องมาแสดงความเคารพอย่างชิบ้านอนนาทบินิกาเสฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าก็ประสงค์เสด็จแล้วก็เสด็จบ่อยด้วยเพราะว่าอนาทบินิกาเสฐีก็มีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าไปเสด็จกนิมนต์พระไปรับบาทอะไรเงี้ยเวลาพระไปเนี่ยเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็ต้องลงมาไม่สามารถจะอยู่ข้างบนได้เพราะพระในผู้มีศีลต้องแสดงความเคารพ เทวดานี้ก็เลยคิดขัดเคืองว่าเรานี้ลำบากเหลือเกินพระี่จุง้งทำไงจะให้ท่านไม่จังหมาสักทีด่านั้นอนาถวินิกเกษตีชักยากจนลงแกก็เลยได้โอกาสวันหนึ่งแกก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบินิกเกษตีแล้วก็ พานานาต่างๆว่าท่า น, น, นเป็นผู้มีศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้คนจะเวลานี้ได้จนลงเพราะาสละทรัพย์มากหรือเกินอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะพุทธศาสนามาถวายบำรุงพระสงฆ์ต่างๆเนี่ยแกก็จะพูดให้แยกและแกก็บอกเนี่ยทรัพย์ท่านที่สูญสิ้นไปเนี่ยถ้าท่านตั้งตัวให้ดีท่านก็จะร่ำรวยอีกท้าพเจ้าก็อยากจะช่วยแต่ทำไงให้ท่านเนี่ย เข้าสู่ทาที่จะไม่ใช้ผลานเงินอีกและข้าพเจ้าจะมีวิธีที่จะช่วยท่านข้าพเจ้ารู้ขุมทรัพย์จะบอกขุมทรัพย์ให้ไปขุดทีนี้เศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระตรรมตรยัยทำความดีช่วยเหลือพระศาสนาทำทานแก่คนยากจนลักร้ช่วยเหลือเข้ามาแกก็ไม่เสียดาย แกได้ยินเทวดาว่าอย่างนี้แกก็คิดไอ้เทวดานี่ชวนผิดทางซะแล้วฟังไปฟังไปแกก็เลยไม่เอาด้วยแกก็บอกว่าเนี้ยข้าพาเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านมาพูดอย่างนี้เป็นการชวนออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นข้าพาเจ้าในฐานะเจ้าบ้านไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านอ้าวอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบถามเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้าน อันนี้คติโบราณเราเนี้ยนะคนไทยไม่เคยวูเจ้าบ้านมีสิทธิวดานี่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่ฝ่ายเทวดานี่ก็เลยเดือดร้อนโอ้เสด็จตรีก็เล่าไล่ไม่เราอยู่ทำไงก็เลยไปหาพระอินพระอินบอกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจะแนะนำให้อย่างก็คือท่านก็ไปพูดกับเขาสิ บอกว่าท่านทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนทำสังคมสงเคราะห์มากมายเนี่ดีเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าจะสนับสนุนจะบอกขุมทรัพให้ท่านจะได้มีเงินมาทำมากมายแกก็เลยใช้วิธีใหม่มาปรากฏตัวกับเศรษฐีใหม่แล้วก็มาพูดอีกแบบหนึง่งเศรษฐีก็เลยยอมให้อยู่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับเทวดาตามคติแต่โบราณทีนี้คติเนี่ยมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาในคตินี้ก็คือว่าเทวดาเนี่ยจะไม่ใหญ่กับมนุษย์ใหญ่กว่าในแง่ของโดยทั่วไปแต่ว่ามีธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมสูงสุดไงหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุด นั่นก็จะมีเรื่องในคมพีหลายเรื่องที่ว่าเทวดากับมนุษย์ขัดกันทีนี้ท่านก็จะสอนคติไว้ให้เนี่ยเพื่อเป็นตัวอยา่างว่าถ้ามนุษย์ถูกต้องเอาธรรมตัดสินเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องแพ้ทุกปีเนี่ยก็มีเรื่องทำนองเนี้ยเนี่ยชาวพุทธไม่ศึกษาคติของพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเทวดายังไง ต้องยุติที่ฐิธรรมะถ้าเทวดาผิดธรรมะเทวดาต้องไปเนี่ยมีเรื่องอยู่ในเนี่ยในคำพูดเนี้ยคือท่านพยายามสอนเพื่อจะให้ชาวพุทธเนี้ยเปลี่ยนเบนจากทิศทางของคนโบราณไอ้ที่มันไปหวังพึ่งเทวดาอ้อนวอนขอให้ท่านบรรดาให้มายึดถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเทวดาจํานวนมากก็มานับถือพุทธศาสนาก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ด้วย อันนี้เดิมก็บอกแล้วว่าเวลาเขาสร้างสถานที่สาคัญอะไรแตะเจ้เทวดาก็จะไปยึดครองที่อยู่นี้เวลาสร้างที่ปฏิสถานพระพุทธรูปสาคัญสำคัญ เ, เทวดาก็จะมายึดครองเป็นที่ตลอดตัวจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาด้วยก็เลยมีเทวดาคุ้มครองรักษาพระพุทธรูป สำคัญสาคัญทั่วหมดที่ว่าพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บรรดาโ น, น้บนบรรดา น, นี้ก็คือเทวดาที่คุ้มครองเป็นผู้ทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่บัเทีบรรดาลาบยศให้ใครหลอกนั่นก็อยู่ของท่านแล้พระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาเทวดารักษาพระแก้วก็อาจจะอยู่ที่ฉัดอยู่ที่ ฐานพระอะไรเงี้ยนะ่ะอยู่อย่างเงี้ยพวกเทวดาเน่ยอยู่ไปอย่างเงี้ยก็เป็นหลักมาอย่างเงี้ยนี่พระบรมธาตุนคอศิทธ ร, รมราชก็เลยมีประวัติซึ่งข้าวคตินี้ก็เป็นเจดีย์ใหญ่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ต้องมาเฝ้าก็เทวดาเนี่ยชื่อจัตุคามรามเทพมีประวัติไปกันใหญ่ว่าที่จริงจัจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศ ร, รีวิชัยเกา่า แล้วก็ได้สวรรคตแล้วก็มาเป็นเทพแล้วก็มาเฝ้าพระบรมธาตุก็หวังจะทําความดีจะได้เป็นบารมีต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นตระสรัวอะไรทั้งเนี้ยก็เรื่องกังวานนี่ก็เป็นคติพุทธศาสนาตกลงท่านก็เป็นเทพที่เข้าแนวนี้นะแต่ว่าข้อสําคัญก็คือพระและญาติโยมเนี่ยจะต้องจับให้ถูกจุดก็คือ ต้องมาเน้นจุดที่ว่าท่านทำหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่จะมาปกปักรักษาพุทธศาสนาชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้แบบเดียวกับท่านไม่ใช่มาหวังผลที่จะได้รับจากครามศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาบรรดาลอะไรแต่ละคือหนึ่งต้องโยงเข้าหาหลัก หลักการคติการเดินที่ท่านมาเป็นเทวดาคุ้มครองพิทักษรักษาพระบรมธาตุสองก็คือหลักการที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการทําตามที่ว่าประพฤติดีอย่างท่านท่านมีแนวทางว่าประพฤติอะไรแต่อะไรยังไงมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็เอามาสอนก็เหมือนพระพรหมในตอนตอนพระพรหมเอรวันก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกัน พระพรมเอราวัณก็แบบเดียวกันพระพรมเอราวัณ น, นี่ก็ผู้สร้างเขาก็บอกแล้วพระพรมองค์นี้ชื่อเป็นมหาพรมนจะมาประทับที่ศาลพระพรมเอราวัณเนี่ยทุกวันทุกค่าเวน้นวันพระเพราะวันพระไปฟ้าพระเจ้านี่เขาผูกไว้ให้เสร็จแล้วแล้วคนไทยเนี่ยละกันดักปกครองไม่เอาเรื่องเลยคตินี้มันทําให้มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ได้ คือเราก็เอามาเตือนเอาแกจะไปขอก็ขอไปเราขัดขวางไม่ไหวล่ะแต่ว่าทําไงจะพัฒนาเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็คือเตือนพระพรหมนี่นะท่านไม่มาในวันพระวันพร ะ, พระท่านไปวัดไปฟ้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันจะมาขอวันพระนี่ต้องไปวัดไปฟังธรรมกันเอาอย่างพระพรหมเหมือนกัน <c oughs> แน่ก็สอนไปสิใช่ไหม ให้มาได้แง่ที่เป็นประโยชน์คือเป็นจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคนเพราะาเราไม่สามารถจะหักทันทีหักด้ามพลาด้วยเขาไปได้เขานับถืออย่างนี้อยู่ก็เอาปเป็นจุดเงนจบแล้วก็เอาอจุดนี้ดึงให้เดินก้าวหน้าต่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตอนนั้นนายกรัฐมนตรีพอสาน ถูกทุบ ท, ทำลายก็กลัวตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นลางลายกับตัวเองต้องไปทำแก้เค้นแท้ที่จะมองไปถึงบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนไม่มองอยู่แค่ตัวเองที่จริงมันต้องมองถึงประเทศชาติถือโอกาสหนึ่งให้ความรู้ประชาชนว่าคุณรู้หรื อ, อยังสารทาวพระพรมนี้มาอย่างไงสร้างขึ้นอย่างไรพระพรหมอง์นี้ไม่ใช่พรหมของศาสนาพราหมณ์เป็นพรหมในพุทธศาสนา มหาพรหมมหาพรหมนี่เป็นพรหมในพรหมสิบหชั้นรูปแบบพรหมสิหกชั้นแบ่งเป็นระดับชาติสี่ระดับและระดับปฐมชาติชาตที่หนึ่งเนี่ยมีพรหมอยู่เขาเรียกว่าพระมปาริสัตชาพระมปุโรหิตาและมหาพรหมมามหาพรหมมามหาพรหมนี่ก็คือพรหมระดับที่สมในชั้นปฐมชาต ของพรม16ชั้นท่านก็กำลังบำเพ็ญความดีอยู่ท่านจึงต้องไปเฝ้าพุทธเจ้าไปเฝ้าก็คือไปฟังธรรมเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทางที่จะเอามาประสานและก็พัฒนามนุษย์ไม่ใช่หนึ่งพระก็หาราบือโอกาสว่าขายดีจะได้เงินปลุกเสกกันสองก็ ทำให้คนลุ่มหลงผิดหลักผิดทางเอามาปลุกเสกในวัดอะไรดันเลยแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเฉาออกจากพุทธศาสนาแทนที่จะเชื่อมโยงใช่ไมก็ไอ้จริงจริงมันเป็นอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างนี้ต่ลงว่าพูดให้ดีก็จ้ตุคามรามเทพไม่ใช่ใครหรอกเป็นกรร ษ, ษัตริย์สิวิชัย <laughs> แล้วก็สวรรคตมาเป็นเทวดาเฝ้าพระบรมธาตุอยู่นี่แหละ <laughs> น่ยกลังบเป็นบรารมี ก็ต้องมาไหนอาจจะใช่ก็ได้ก็ไม่รู้แหละก็ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นสีนี้ก็โยงเป็นเรื่องศรีวิชัยสิก็เอาศรีวิชัยนี่อยู่สุมาตราว่ากันนั้นพวกมลายูนี่แหละเอาแะไรพวกมลายูในลูกน้องกษัตริย์องค์นี้หมดเลยบอกว่าชาวใต้สามสี่จังหวัดเนี่ยลูกน้องของจ้ตุการ์มรามเทพนั้นใช่ไหมเขาเป็นมลายูเนี่ย มลายูก็คือกษัตริย์สีวิชัยสมัยก่อนดินแดนทางใต้เขาก็เชื่อมโยงว่าก็ที่เล่าเจ้าชายนั้นน่ะบรมเมศวนน่ะก็มาจากสุมาตราเป็นมลายูมาจากสุมาตรามาขึ้นสิงคโปร์สุ่นไล่จากสิงคโปร์มัขึ้นมาลากามาตั้งอาณาจักรมาลากาแล้วก็ศูนย์กลางความเป็นมลายูอยู่ที่มาลาการ์ก็คือพวกสิริชัย ก็ย้ำเอาความรู้พวกนี้ย้ำเข้าไปเพราะชอบแยกตัวนักว่าฉันเป็นมลายูไม่ใช่พวกคนไทยไม่ใช่ชาวพูดใช่ไหมเราเองของเรานี่มันแน่มันจริงกว่านี่ประวัติศาสตร์ที่ค้านไม่ได้แล้วทาไมประเทศชาติบ้านเมืองวิทยุก็มีทีวีก็มีไม่ให้ความรู้ประชาชนเอาเข้าไปสิบอกมลายูเป็นยังไงสีวิทยชายเป็นยังไงเล่าไปสิใครจะมาค้านได้ล่ะข้อมูล ก็ไปใช้ประโยชน์จากความรู้ตัวลงกันเนี่ยถ้ารู้เรื่องเจตุคามรามประเทศก็อาจจะมีทางทําให้มันได้ประโยชน์เนี่แต่มันฮิตกันมากน่าจะีิตกันมากก็รีบเผยแพร่ความรู้นี่เขาเมื่อิชชูสุดสัปดาห์เมื่อเช้าบอกว่า อ, าอะไรนะฮะทำรายได้สองหมื่นสองหื่นสองพันลาน เขาบอกอะไรนะทักยุททักษิณมีเงนกัด้วยเต็มห่นเ่ลาเปิดวิทยุอ้าววัดนั้นก็จะทำพิธ <oh ีปล mm. ุกเสกจะถุคภาพราบเทพนเพียเงินยายไปร้องแต่ตีหนึ่งวัดใหญ่จะดดวยนะเหียบคนตายที่นครสี่เขาไม่ใช่เหียบพราะ้องรอจนโสมตายเอกโดนเหี้ยเบียกันก็โรนที่อยุข้ายงแต่ว่าแต่ว่าเขาไปรอกัน ก็ไปคนตายตายก็ไปรออ่อห้าสิบกว่ารอจะรอเสร็จหัวใจวายตายออนี้ยายมื่อกีนี่คนนี่ห้าสิบเอ็ดคนห้าอีโดนเหยียบที่ทำยังแล้วเวลาสังคมมีกระแสแบบเนี้แล้วพอดีช่วงนี้มันมีเรื่องของทั้งอะไรนะเงินเงินหองเข้ามามันเป็นอะไรซคลารียเกณฑแล้วแล้วก็ปลูกเข้าไปแต่ตรงนี้แล้วมันก็จะหยุดกระแสยังไงเพราะว่ากรนี่แหละคือ คือเรารู้อยู่ก็ต้องรู้ทันว่าสังคมเนี่ยกําลังต้องการเรื่องเงินทองมากเป็นเรื่องสังคมธุรกิจและเป็นสังคมบริโภคนิยมเห็นกับการเสพบริโภคหาผลประโยชน์หาเงินหาทองระบาดเข้ามากระทั่งวัดทีนี้กระแสะใหญ่เป็นอย่างนี้เราก็ทําไงจะโยงให้กระแสะใหญ่ในมหาหลักก็คือเนี่ยเรื่องราวพวกเนี่ยก็เหมือนกัน สมัยพุทธกาลเนพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพสังคมคล้ายอย่างนี้สังคมสมัยนั้นกําลังเสื่องธุรกิจอ่าถ้าเรามองไปปอดวัติศาสตร์ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยสังคมในสมัยพุทธกาลเนี่ยกําลังจเจริญรุ่งเรืองการค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆมีคารวานกองเกวียนไปกันใช่ไหมเน่ยแล้วก็เศรษฐีกําลังเป็นชนชั้นนําขึ้นมาเดิมมันมีวันณะสี่อากราษฎรพระแพทย์ศูตร ตอนแรกพราหมณ์นี่เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าทางพุทธศาสนาบอกที่จริงกษัตริย์เป็นใหญ่ก่อนยุคพระอินทนระ์ไงก็คืออารยันเนี่ยเข้ามาจากทางอิหร่านมาบุกอินเดียใช่ไหมตอนแรกมันยกทัพมาเนี่ยระยะนี้มันพวกนักรบเป็นใหญ่ตอนนั้นพระอินทร์เป็นใหญ่ตอนที่กําลังเดินทางยกทัพสู้ระยะแรกเนี่ยเป็นยุคพระอินทร์เป็นใหญ่ยุคพระอินทร์ก็ยุคกษัตริย์ พระอิน์นี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเทพสำคัญทีนี้พออารยันเข้ามาอินเดียยึดครองพวกชมพูทวีได้อารยธรรมลุ่มน้าสินธุอะไรพวกนี้นะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอารยันไอพวกมิลกะที่เจ้าถิ่นเนี่ยกลายเป็นชนวันนาสูตรถูกเขาเหยียดลงไปเป็นทาสเกิดวันนาสีนี่ก็มีกษัตริย์พร์แพทยสูตร พอตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้ปัญญาชนเริ่มใหญ่พวกนักรบพระอินท์ที่เดิมมาเนี่ยชักจะอับแสงเนี่ยแต่ก่อนนี้พระอินทใหญ่พระอินทชักอับแสงลงตอนนี้พระพรมขึ้นพระพรมขึ้นพระพรหมนี่เพิ่งขึ้นไม่ใช่ตอนอารยันเดินทางนะเดินทัพอยู่ในพระพรมไม่มีพระพรหมยังไม่มีตอนที่อารยันกำลังลุกตอนนั้นพระอินทใหญ่ พอเข้ามาตั้งที่แล้วพระพรหมใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ใหญ่แน่พราหมณ์ก็เป็นนักวิชาการด้วยเป็นปัญญาชนเป็นผู้ประกอบพิธีตอนนี้ใครๆต้องมาอาศัยพระพรหมให้พราหมณ์เป็นผู้บอกว่าจะเอาอยัางไงต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรต้องทําพิธีบูชายันกษัตริย์ก็เลยตกอันดับพราหมณ์ขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นพราหม์กษัตริย์แพทย์ู ตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายอย่างโนอย่างนี้เยอะแยะหมดกลายเป็นเทพที่ไม่ค่อยมีความหมายเนี่ยพระพรหมขึ้นอ่าแล้วพระพรหมนี่มาตกตอนในกราบกสช่าห้าหร้อยาศิวะพะนลลายขึ้นดีอ่าพระพรหมตกตอนนั้นพระพรหมเป็นใหญ่ตอนพุทธกาลเอาละก็มีกษัตริย์พรามแพทย์สูตรนีพอถึงพุทธกาลนี่จะเห็นว่า ชนชั้นหนึ่งกำลังขึ้นคือพวกเศรษฐีท้าวดีมีอิทธิพลมากขึ้นแหละพวกนี้ก็พวกพ่อค้าหวานิดทางั้งๆที่เดิม น, น่าจะอยู่ในชนชั้นแพทย์ไว ย, วยสยะเนียซ้ำแต่กําลังมีอิทธิพลมากกลายเป็นตำแหน่งนะักเศรษฐีนี่ต้องราชาตั้งเล ย, เยประจําเมืองเลยเศรษฐีนี่มีหน้าที่ไปฟาพระราชาวาลสองครั้งนะเศรษฐีเนี่ย แล้วต้องพระราชาตั้งและทีนี้เมืองไหนรัฐไหนไม่มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่รุง่งเรืองก็จะต้องหาทางมีเศรษฐีถึงกันในพุทธกาลน่ยก็มีรัฐบางรัฐเนีต้องขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่งนางวิสาขาก็ไปเพราะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็รัฐนั้นเขาต้องการมีเศรษฐีบ้างเขาก็เลยขอจากอีกแควนหนึ่ง แล้วทานอาจชัยเศรษฐีก็เดินทางไปคณะวิสาขาก็เป็นลูกก็ไปด้วยเนี่ยณะวิสาขาประวัติก็มายอย่างเงี้ยเขาต้องแข่งกันว่ามีเศรษฐีกี่คนเศรษฐีใหญ่มีเศรษฐีร่ำรวยเศรษฐีก็มีอิทธิพลมากก็เพราะว่าการค้าขายก็ลเลยว่ากำลังเฟื้องในทางเศรษฐกษิจการค้าขายระหว่างรัดรองแข่งก็ถึงกันทั่ว แล้วก็มีพวกสิ่งพวกบริโภคต่างๆมากมายมีการอวดกันถึงการใช้ไอ้พวกผ้าไหมจากแควนนั่นจากรัดนั่นอะไรต่างๆเนี่ยว่าเป็นของชั้นดีทีนี้ในท่ามกลางสภาพอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ไอ้พวกความนิยมกระแสของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มที่จะสอนให้คนพวกเนี้ย มาฝ่ายธรรมอะอย่างเศรษฐีก็ทำไงจะหนึ่งไม่หันไปทางที่ใช้อำนาจอิทธิพลคมเหงคนอื่นแล้วมาใช้ในทางทุจริตแล้วก็เอาทรัพย์นี่มาทำประโยชน์น่านาจะ่ปิดีกเกษตรีพอมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วสูญเสียในการทำประโยชน์เท่าไหร่ไม่คำหนึ่งแล้ม ก็ตั้งที่บริจาคทานลงทานจนมีชื่อว่านาตบินดิที่จริงแกชื่อสุทัตตะชื่อตัวว่าสุทัตตะแกไม่ได้ชื่อนาตบินดิแต่เพราะแกได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนยากจนมากก็เลยได้ชื่อว่านาตบินดิแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาว่าไงา น, นี่สมญาของท่านก็ถือว่าดูแลคนไหนยากจน ไม่ให้เขายากจนอยู่ละต้องช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้อะไรแล้วก็มาบำรุงพระ ศ, ศาสนาแล้วก็นามิสาขาพวกนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงขังคมถ้าเราดูลึกลงไปมันไม่ใช่มีเพียงคําสอนคําสอนนี่นมันเนื่องอยู่กับเรื่องของเหตุการณ์สภาพคับเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นว่าทาไงจะเขาจะ อยู่กันดีสังคมจะดีชีวิตเขาจะดีอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สังคมเวลานี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็ทำไงจะให้ธรรมะไปเกิดประโยชน์กับคนหลอดนั้นได้ก็เลยว่าไปเรื่อยๆนะอะไรนะเขก็ว่าไปเรื่อยๆใจสั่นนะเนี่ย ไปดีกว่าค่ะพอท่านเล่าแล้วท่านก็หน่าสดใสได้ความรู้มากเลยเดี๋ยวท่านจะเล่าอแบบเรื่องจักรุคารเนี่ยมีมีมีคนที่เขาใส่จักรุคาไปนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้เขาอ่ะเขาเมียนจักรุคามานานแล้วเขาถ่ายรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาหายไปเลยเป็นรูปเหรียญค่ะ เขาก็จะมีกแสดหนึ่งอยู่ดูดูก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ว่าน้องเขาล่ามาว่าเป็นเป็นที่ทํางานของน้องสาวเขาลแล้รูปนี้ก็สามารถจะยืมมาดูได้ดูก็เลยสงสัยว่าคือถ้ามันเป็นการปลูกกระแสว่าพยายามสร้างอภิริหารอะไรให้ให้เกิดกระแสว่าดีจริงเนี่ยแต่ทําไมเต้าปลาเกิดกับคนนั้นซึ่งห้อยเหนียวอยู่และไม่มีใครในทีมงานรู้เลยว่าเขาห้อยเหนียวจากลูกค้ามานาน เราก็อาจจะไปสร้างเรื่องทั้งหมดก็ได้นั่นะคนนั้ก็สร้างมันคอยๆนานแล้วคืออย่างนี้มันได้สองออย่างหนึ่งก็คือเขาเตรียมกันอย่างนั้นสองก็คือว่ากระแสมนุษย์เนี่ยความเชื่อมันทำให้เกิดผลได้เองพอมาเชื่อมันปลูกกระจายมันขึ้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา แต่ยังไงก็าตามเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเราจับเรื่องได้มีความรู้นี่เราก็โยงก็าหาพระบรมธาตุพวกคุณนี่ลูกศิษย์เจตุคามเนี่ยแล้วจะตุคามเป็นลูกศิษย์พระบรมธาตุคุณต้องไปแล้วพระบรมธาตุนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องไปไหว้พระบรมธาตุอะรไรแหละนะมันก็ตรงเลยน ะ, ะก็ในเมื่อคุณนับถือเจตุคามก็เจะตุคามท่านเป้าพระบรมธาตุอยู่ ถ้าคนอยากจะถึงจะถูกคามจริงคุณก็ต้องไปพระบรมธาตุนี่ไม่พน้นเลยใช่ไหมต้ลงว่าถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วมันเข้าเลยเท่าทางเลยตอนนี้วัดพระบรมธาตุรับไม่ไหวโยงให้ได้ติโยงให้ถึงก็เรื่องมันจริงจริงก็ที่เราเมื่อกี้ไงเราบอกว่า ประวัติเนี่ยประวัติของท่านประวัติที่แท้ประที่แท้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรวีวิชัยที่สวรรคตแล้วไปเฝ้าอยู่ที่พระบรมธาตุนครสิทธรริมาลาท่านเฝ้เาอยู่ที่แ ล, แล้วก็คนที่เขานับถือก็เขารู้เรื่องเดิมนี้อยู่ก็คือท่านที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเป็นผู้นับถือจตุคามท่านรู้ว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เฝ้าพระบรมธาตุอยู่ คือคนเดิมน่ารู้แต่ว่าตอนที่มาเชื่อกันตอน่ตอ น, นี่มันขาดตอนมันเป็นกแ ส, ส, สกระแสมันไเป็นกะแส้างกระแสใช่ ม, ไไมันไปอยู่ที่เงินอย่างเดียวเราก็ดึงกลับไปซะให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างนะเออคุณนับถือมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีก จะดูข่ามลาวมาเทพมาจากไหนในคะงตอบเีนี้ถ้ามันก็มีประเด็นนี้นมันก็เลยทำต่างคนแตว่าพอเราไปขัดผลประโยชน์เขาบุกนี้จะเสียผลประโยชน์เขาก็เขาก็ต้องพยายามสร้างกระแสใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาเพราะก็ อ, อ, อ <ๆ S 2> าจจะแบบรักอยู่ที่ไหนรับกันไหปนปก็นมไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชัดเจนมันมีมาตะเก่ากว่าใ ช, ใช่ไหมเขาจะหนีไปไหนไปพ้นถ้าเขาใช้คำว่าจะุูข่าวราวมาเทพ <ๆ S 2> ๆๆนี้ไม่พ้น่ะ นอกจากเขาองเปลี่ยนใหม่้องหาองค์ปัญจคามลาประเทศ <ś led> ท่นนี้คือปัญจคามเลยเนอะสองห่ อ, อ, ล, อ, อ, อ, อล้านห้อยเงินห้อยเงนฉนันวันไหวนี่นะไปแล้วงงแสดงว่าเขาสร้างกระแสกเก่งนะใช่ค่ะแม้แต่วัยรุ่ น, นวัยค่าวัยรุ่นก็ยังห้อยจะตัวเป็นี้่างบี้ค่ ะ, คะมันจะมีเป็นธุนรกิจเลยอนาะยุสิบห้าสิหกห้อยยังค่ วันก่อนพี่ห้อยเอลิกาจับเวล า, าเวลาสอนนุ้ไม่จับเวลาเขามองมาบอกอ้าวนึกว่าห้อยจตุคาเ <c oughs> อาแค่เนี่ยฉันบอกฉันห้อยเทพแท้เลยเน <c oughs> ี่ยเทพองนี้บอกเวลาได้ <c oughs> <c oughs> สักสิบอี ธรรมกาถาเรื่องวาสนาคนไทยได้แค่สัยศาสตรน์นี้ได้คัดลอกทำเป็นหนังสือเรื่องคติจตุคามรามเทพจัดพิมพ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหากผู้ฟังท่านใดสนใจเชิญติดตามหาอ่านได้ซึ่งพระพรมคุณาพรปอประยุตโตได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น